กราบข อ, อกาสประจันจัดชัยแล้วก็เพื่อนสะทัมิกทุกท่านนะจะเดินพอรอไม่ขี้แล้วก็โยมทุกคนนะก็ทาวัดเย็นก็ฟังธรรมกันทักเล็กน้อยเนาะเป็นส่วนประกอบนะในการศึกษาปฏิบัติธรรมของเรานะวันนี้ก็ พอขึ้นมาทำวัดนะไม่ได้ทำหลายวันเห็นเขียนนะตรงหน้าที่นั่งนะสำหรับพระวัดป่าสุขก โ, โตนะก็ฉุกคิดในใจเราไม่ได้อยู่วัดมานานจะนั่งดีไหมนอ้อเหมือนไม่ใช่พระที่วัดนี้ละไปมานานนะแต่ก็ที่นี่ก็ยังเหมือนเดิมนะบางทีไปที่อื่นนะ เขาก็สวดมนต์อีกแบบหนึ่งนะสวดไม่แปลหรือไปบางที่ก็มีแต่การปฏิบัตินะเขาไม่ได้นำทำบัดนานๆก็ อ, อลืมไปเหมือนกันแล้วก็สัญญาเนาะมันไม่เที่ยงนะสัญญามันไม่เที่ยงไม่เป็นไรนะถ้าจิตใจเราเ อ, อปล่อยวางได้นะมันลืมบ้างมันรู้บ้างนะก็วางมันไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มัน คงเกิดขึ้นนะในการปฏิบัติธรรมของเราเนาะบางทีพอเราปฏิบัติธรรมบางทีเราก็มักจะเอาอย่างเดียวนะจะเอาแต่ตัวรู้จะเอาแต่ตัวดีจะเอาแต่ตัวสงบจะเอาแต่ตัวสุขจะเอาแต่ตัวสบายนะแต่ที่จริงแล้วธรรมะก็คือธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างนะกุศลธรรมะนะธรรมที่เป็นกุศล อกุศลธรรมมานะทำที่เป็นอกุศลอัพยากตาธรรมมาทำที่เป็นกลางๆนะเป็นไม่สุขไม่ทุกข์นะไม่บวกไม่ลบนะธรรมก็มีถ้าจะแยกเป็นสามสามด้านนะมีบวกบ้างมีลบบ้างมีกลางๆบ้างนะก็เป็นธรรมะทั้งนั้นนะธรรมะก็ไม่ใช่อยู่ที่ตัวหนังสือนะอยู่ที่บทส่วนมนแต่ถ้าเรากลับมาดูธรรมะในใจของเราเนี่แหละนะ มาดูมีไหมในใจในกายนี้นะในกายในใจนี้มีสุขไหมก็มีนะบางขณะมันก็เป็นสุขมีไหมในกายในใจนี้บางขณะมันก็เป็นทุกมีไหมในกายในใจนี้บางขณะมันก็เป็นกลางๆไม่สุขไม่ทุกข์ไม่บวกไม่ลบนะไม่ดีไม่ร้ายนะมันก็มีในในกายในใจนี้แหละนะ บางคนเนาะเผลอคิดไม่ดีก็ไปหลงว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีก็ไปทุกข์เพราะความคิดเพราะไปยึดว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีคิดไม่ดีแต่ที่จริงนะถ้าเรามีสติจะเห็นว่ามันเป็นเพียงแค่ความคิดแต่การคิดไม่ดีไม่ใช่แปลว่าเราเป็นคนไม่ดีเข้าใจไหมหรือบางทีเราก็คิดดีนะ คิดในด้านที่เป็นด้านบวกบางทีเราก็หลงไปยึดว่าเราเป็นคนดีนะแต่จริงการคิดดีก็อาจจะไม่ใช่การที่บอกว่าเราเป็นคนดีนะบางคนคิดดีนะอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมอยากจะจัดการอะไรต่างๆเยอะแยะแต่คิดดีแต่ทำไม่ดีก็มีนะหลายคนอยากจะทำให้ประเทศชาตินี้สะอาดนะก็ไปฆ่าคนที่คิดว่าเป็นศัตรู ทางการเมืองหรือว่าเป็นคนชั่วในสายตาของคนตัวเองอาจจะไม่ใช่ว่าเขาคิดไม่ดีนะเขาอาจจะคิดดีแต่เขาอาจจะทําไม่ดีก็ได้ดังนั้นถ้าเรากลับมาเห็นเนาะมาเห็นความคิดนะเห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นนะภายในนะ่ะแล้วเราก็เห็นเฉยเฉยไม่ไปยึดนะถ้าเรามีสติเราจะไม่ยึดว่าเอ๊ะความคิดมันก็แค่คิดนะไม่ใช่ว่าเรา เป็นคนดีหรือเราเป็นคนไม่ดีอ่าไม่ใช่ว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีก็แค่เห็นสติจะทําให้เราเห็นเห็นอารมณ์ภายในใจมันเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายก็เหมือนกันนะอ่ากายบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์บางทีก็เจ็บบางทีก็ปกติอ่าเราก็เห็นอ่พอเราเห็นแล้วมันจะเห็นว่า กายมันก็ส่วนหนึ่งเนาะกายเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งใจที่มีสติเห็นเนี่ยก็ส่วนหนึ่งกายกับใจไปคนละส่วนกันนะกายมันทุกข์ไม่จะเป็นต้องทุกข์ก็ได้นะก็ปก็เรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของใจนะบางทีนะเราก็จะรู้สึกแต่ว่าอันนั้นเรื่องของคนอื่นอันนั้นเรื่องของบ้านอื่นอันนี้ไม่ใช่เรื่องของเรา แต่บางทีแอดที่เราเลือกผู้เช่นนั้นเลือกคิดเช่นนั้นมันใหญ่เป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องของหมู่บ้านที่เราไม่รู้จักเป็นเรื่องของประเทศอื่นเป็นเรื่องของชนชาติอื่นเป็นเรื่องไม่ใช่คนในครอบครัวเราะแต่ถ้าเรามีสติจะเห็นจริงๆแม้แต่เรื่องที่เกิดกับกายที่เราลงยึดว่าเป็นเราเนี่ยแหละมันก็เป็นส่วนของมันนะมันไม่ใช่ส่วนของเราะกายมันก็แสดงความทุกข์ให้เห็น เราก็เห็นว่าเออมันก็เป็นสักแต่ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายนะไม่ต้องมีทุกข์กับมันก็ได้นะใจก็เหมือนกันนะใจมันเผลอไปคิดบ้างเผลอไปหลงบ้างก็ไม่เป็นไรก็เห็นว่ามันคิดเห็นว่ามันหลงเห็นว่ามันสุขเห็นว่ามันทุกข์นะเห็นว่ามันโกรธบ้างแต่ถ้าเรามีสติมันจะเห็นว่ามันก็เพียงพียงแค่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป ไม่ไปสงยึดว่าเราสุขเราทุกข์เราดีเราไม่ดีนะอันนี้คือการมีสติเราฝึกสติเพื่อให้เห็นตรงนี้แหละนะอันนี้แหละคือตัวปัญญาที่เรียกว่ามันเห็นสิ่งต่างๆเป็นอนัตตานะเห็นสิ่งต่างๆไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะแต่ถ้าเราไม่เห็นนะเราก็จะยึดว่ากายนี้เป็นเรานะใจก็เหมือนกันนะ เราก็จะเห็นว่าใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะมันก็เห็นเพียงว่าใจก็เป็นเพียงแค่สภาวะสภาวะหนึ่งที่มันไปรู้อารมณ์นะจิตหรือใจเนี่ยคือสภาวะหนึ่งที่มันไปรู้อารมณ์นะแต่ถ้าเราไม่มีสติจิตหรือใจนะันมันก็จะกลายเป็นตัวอารมณ์มันต่างกันนะที่จริงธรรมชาติของจิตหรือใจนี่มันเป็นแค่ธรรมชาติที่ไปรู้อารมณ์นะนะไปรู้อารมณ์สุขไปรู้อารมณ์ทุก นะไปรู้อารมณ์สมมุติไปรู้อารมณ์ปรมัตต์นะที่จริงจิตใจเป็นเพียงแค่สภาวะที่รู้อารมณ์นะถ้าใจที่มีสติมันจะแค่รู้รู้แล้วก็วางรู้แล้วก็ไม่แปลกรู้แล้วก็ไม่ยึดแต่ถ้าเมื่อไใดที่ใจขาดสตินะมันจะไม่ใช่สภาวะที่รู้อารมณ์แต่มันจะกลายเป็นอารมณ์นั้นกลายเป็นใจร้ายกลายเป็นใจยัก กลายเป็นใจอิจฉาดิถยานะกลายเป็นใจที่มันเบาสบายนะกลายเป็นผู้เบาผู้สบายอันนี้มันต่างกันนิดเดียวนะการรู้อารมณ์กับการยึดอารมณ์เนี่ยมันต่างกันนะแต่ภาวะที่เรามีสติเนี่ยมันจะแค่รู้อารมณ์แล้วก็วางนะแล้วฝึกสติเพื่อให้เห็นตรงนี้แหละนะเรามีสติในการรู้สึกกับกายที่เคลื่อนไหว ก็เพื่อหเห็นกายเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของมันใจที่มีสติแค่รู้เฉยเนี่ยก็คือการฝึกนะไม่ใช่ฝึกเพื่อไปจ้องนะไม่ใช่จ้องดูที่มือไม่จ้องดูที่ลมไม่จ้องดูที่เท้านะไม่จ้องส่วนใดเลยนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าคิดไปเรื่อยเปื่อยนะก็นะคะแค่รู้นะรู้ธรรมดารู้ธรรมดา รู้แบบสบายๆนะถ้าเรารู้แบบสบายๆนะมันจะเกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะไม่ได้ตั้งใจแต่มันรู้ของมันเองนะไม่ได้เพ่งจ้องที่ส่วนใดแต่ถ้าส่วนใดมันเด่นนะมันก็จะรู้ของมันนะถ้ามันไม่เด่นส่วนใดส่วนหนึ่งมันก็รู้พร้อมไปหมดทั้งตัวแต่บางทีมันมีบางส่วนที่เด่นนะเราก็รู้ยุงกัดขึ้นมา มันก็รู้นะมันไม่ใช่ด้านชานะขานะมันเจ็บมันปวดมันก็รู้นะมันรู้แล้วแต่มันไม่ยึดนะนะลมกระทบสัมผัสนะมันก็รูนะ้แต่รู้แล้วนะไม่ไปหลงนะไปติดใจนะเสียงเกิดขึ้นมานะมันก็ได้ยินนะไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแล้วจะไม่ได้ยินอะไรจะไม่รู้สึกอะไรจะไม่เห็นอะไรแต่เราเปิด เปิดใจให้มันกว้างๆนะเปิดอายตนะตาหูจมูกดิ้นกายนะรวมทั้งใจดนะ้วยเนี่ยให้มันรู้ทุกอย่างนี่แหละนะแต่การที่ว่าเปิดเนี่ยไม่ใช่ว่าพยายามที่ไปไปฟังทุกเสียงนะไม่ใช่พยายามที่ไปมองทุกอย่างไม่ใช่พยายามที่จะนะไปคิดทุกเรื่องนะไม่ใช่การเปิดก็คือว่าไม่ปิดนะนะั่นแหละคือไม่ปิด ตานะทั้งการหลับตาหรือบางทีไม่ปิดตาแบบพยายามแบบทําตาเบลอๆนะบางทีนักปฏิบัติธรมนะพยายามทําตาเบลอๆมองไม่ชัดมองเดินๆนะพยายามทําใจซึมๆนะทำใจนิ่งๆซึมๆเฉยๆนะอันนั้นคือไม่ไม่ใช่เป็นการเปิดนะเป็นการปิดอีกแบบหนึ่งนะนะ ทั้งที่บางทีตาก็าจะรับหูก็เปิดอยอะแต่ถ้าเราทําใจซึมๆทําตาเบอร์เบอร์นะมันไม่ใช่เป็นการเปิดจริงๆนะวิธีปฏิบัติแบบหลวงพ่อเทียนท่านให้เปิดเลยเปิดนะเห็นนะสิ่งที่มันผ่านเข้ามาเห็นก็สักแต่ว่าเห็นนะเห็นแล้วถ้าใจเกิดชอบเกิดชังก็มีสติรู้ทันใจที่ชอบที่ชังในสิ่งที่เห็น นะหูได้ยินเสียงก็เช่นเดียวกันได้ยินแล้วนะถ้ามันเฉยๆก็วางไปเลยถ้าจิตมันไม่เฉยของมันเองนะไม่ใช่เราไปปรุงนะมันไปไม่เฉยไปชอบไปชังด้วยสัญญาอะไรของมันก็ไม่รู้เราก็แค่ตามรู้มันว่ามันเกิดความชอบเกิดความชังนะแต่ถ้าเราไม่มีสตินะเราก็จะไปปรุงต่ออันนี้มันดีอ้หชอบอยากได้อีกอันนี้มันไม่ดีไม่ชอบ ไม่อยากได้เลยนะก็พยายามไปผักไสเขาแต่ถ้ามีสติก็แค่รู้สิ่งที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกดิ้นกายแล้วก็ดมทั้งใจด้วยแต่ถ้าสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายนอกนะมันไม่มีอะไรน่าสนใจนะเราก็มีสติในการรู้อิรียบ ท, ที่มันเคลื่อนไหวนี่แหละทำให้มันเป็นหลักไว้นะอย่างนั้นคือหกส่วนเนี้ยเราเปิดหมด แต่มันก็มีดักว่าเราทํากรรมฐานเนี่ยเราสร้างสักอย่างหนึ่งให้มันเด่นขึ้นมานแต่การสร้างสิ่งหนึ่งให้มันเด่นขึ้นมาไม่ใช่เป็นการที่ไม่รับรู้ส่วนอื่นนะต้องเข้าใจแบบนี้แต่ถ้าเป็นการสร้างอย่างอื่นให้เด่นขึ้นมาแล้วปิดส่วนอื่นน่ะเรียกว่าทำธรรมถะทาความสงบหรือทําแบบเพ่งจ้องแต่การที่เราแค่ยกมือสร้างจังหวะแล้วก็สร้างความรู้ตัวเนี่ยก็คือปลุก ปลุกให้เกิดความรู้ปลุกสติให้มันไม่ให้มันไม่ซึมไม่ซึมหรือว่าไม่เฉื่อยหรือว่าเป็นการสร้างตัวรู้กลับมาจากจิตที่มันเผลอไปคิดคนะือถ้าเรานั่งนิ่งๆธรรมดาเนี่ยมันจะเผลอไปคิดได้ง่ายนะหรือว่าถ้ามีอะไรมากระทบสัมผัสแล้วมันจะเผลอตามเขาไปเรื่อยนะการที่เราสร้างความรู้สึกตัวสร้างสติในการเคลื่อนไหว ในการนั่งในการเดินหรือในการทําอะไรก็แล้วแต่ก็คือว่านาให้มันเกิดการได้ ร, รู้กับสิ่งที่กําลังทําอยู่นะเรียกว่ามีสติอยู่กับปัจจุบันได้รู้กับสิ่งที่กําลังทําหรือว่าสติมันขาดไปจิตมันเผลอไปคิดเรื่องอื่นนะไปเผลอไปดูเผลอไปฟังเผลอไปคิดเผลออะไรก็แล้วแต่เนะาะพอเราเคลื่อนไหวใหม่มันก็จะกลับมานะ มันก็จะกลับมารู้เนื้อรู้ตัวใหม่ไอ้ที่เผลอแล้วก็รู้ว่าเผลอนั่นก็มีสตินะพอมันกลับมารู้เนื้อรู้ตัวก็เรียกว่ามีสตินะแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะเรียกว่าต้องอยู่แบบนี้ตลอดไปเนาะบางทีอาจจะเผลอไปใหม่ก็ไม่เป็นไรกร็กลับมารู้ใหม่นะกลับมารู้ใหม่ได้ได้ว่าฝึกให้มันกลับมารู้บ่อยบ่อยสติจะก้าวหน้าสติจะพัฒนา ทติจะมีกําลังมากก็คือเนี่ยแหละรู้ตัวได้บ่อยนะหรือว่ารู้ดลงได้เร็วนะเข้าใจไหมถ้ามันไม่หลงเราก็รู้ตัวนะได้บ่อยรู้กายที่เดินรู้กายที่นั่งรู้กายที่นอนรู้กายที่หายใจเข้ารู้รู้กายที่เจ็บที่ปวดขึ้นเมื่อยอันนี้ก็คือการรู้ตัวพอมันดลงไปรู้ได้เร็วนะหลงไปคิดอ่ารู้ได้เร็ว หลงไปรักหลงไปชังรู้ได้เร็วหลงไปจมกับความสุขนะก็ออกมาจากความสุขได้เร็วหลงไปอินไปจมกับความทุกข์ก็อถอนออกมาได้เร็วอันนี้แหละคือสติทั้งนั้นสติถ้าจะแยกง่ายก็เ น, นี้ยการรู้ตัวนะได้อย่างได้ว่าได้อย่างถีทีหรือว่าได้อย่างต่อเนื่องทีทีหรือต่อเนื่องไม่ใช่ว่าแบบรู้ห ย, ยาวนะ ไม่ใช่ไปรู้ยาวตลอดไม่ใช่แต่มันเกิดแบบทีีทเกิดดับเกิดดับเกิดดับนะเกิดใหม่เรื่อยๆนะรู้แล้วก็วางตัวรู้นะหรือถ้ามันเผลอไปคิดของมันเองมันดงไปของมันเองแล้วก็รู้ตัวได้เร็วกลับมาจากความคิดได้เร็วอันนี้แหละคือการที่เราฝึกนะใหส้สติมันพัฒนาสติมันพัฒนาเนี่ยแหละนะมันมีสมาธิอยู่ในนั้นด้วยนะ จิตมันเกิดความตั้งมั่นสมาธิคือจิตที่มันตั้งมั่นนะไม่ใช่ไปแช่นะไม่ใช่ไปแช่กับอารมณ์บางคนคิดว่าสมาธิก็คือว่าทําใจให้สบายสบายแล้วก็แช่กับความสบายสบาๆนะเหมือนกับหน้าร้อนนะได้แช่น้ําเนี่ยมันสบายไม่อยากออกจากบ่อน้ําเลยนะมันเด็กใช่ไหมว่าย น, น้ําเนี่ยมันไม่อยากออกจากบ่อน้ํานะนะมันสบายมันสนุกนะ บางคนก็เหมือนกันเนะเหมือนผู้ใหญ่เนาะกลัวแดดนะมันอยู่ในห้องแอร์สบายมันอยู่ในห้างสบายใช่ไหมทําไมคนสมัยนี้ติดห้างมากก็เนนะี่ยแหะมันเย็นสบายหรือแม้แต่เซเวทำไมขายได้ดีกว่าร้านค้าทั่วไปก็ปติดแอร์รอลูกค้าสบายนะเย็นสมาธินะที่เป็นเรียกว่าความสงบนะก็ล่อให้คนไปติดเช่นนั้นเหมือนกันนะ สมาธิบางครั้งมันสงบมันสุขมันสบายแต่ถ้าเราไม่มีสตินะเราก็จะแช่ที่ความสงบความสุขความสบายแต่ถ้าเรามีสติขึ้นมาเราก็จะกลายเป็นผู้เห็นเห็นจิตมันสงบเห็นจิตมันสบายเห็นจิตมันมีความสุขไม่แช่แต่มันก็มีนะไม่ใช่ว่ามีสติแล้วมันจะแห้งแรงมีสติแล้วมันจะเรียกว่า จืดชืดนะมีสติแล้วจะไม่มีรสชาตินะมันมีรสที่เป็นปกติก็จริงนะแต่มันก็ไม่ใช่มันไม่ใช้ไปอินกับความสุขความสบายแต่มันมีความอิสระนะจิตมันเป็นอิสระนะอิสระจากสิ่งที่เรียกว่าเป็นความสุขเป็นอิสระจากสิ่งที่เป็นความทุกข์รวมทั้งเป็นอิสระจากสิ่งที่เป็นกลางกด้วย จิตมันเป็นอิสระตรงเนี้ยมันเห็นอารมณ์แล้วมันไม่อินกับอารมณ์มันเป็นอิสระนะเหมือนเรานะอยู่บนบกนะเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในน้ํามันผ่านมาผ่านไปจะเป็นเรือจะเป็นคนจะเป็นสวะจะเป็นขยะมันผ่านมาผ่านไปเราอยู่บนบกสบายเป็นอิสระนะได้รับความสุขจากลมเย็นๆนะได้รับความสดชื่นจากลมไม้ตรงนั้น แต่ก็ไม่ได้ไปแช่กับอารมณ์อันนี้คือสมาธินะถ้าเราไม่รู้จักสมาธิจริงๆเราจะทำสมาธิแค่ความสงบแค่ความสบายแค่ความสุขแล้วก็ออกมาเดินต่อไม่ได้นะแต่สมาสมาธิที่พระเจ้าท่านสอนจริงๆเนะสมาธิเเรียกว่าจิตตั้งมั่นจิตรู้อารมณ์แต่ไม่อินกับอารมณ์มันตั้งมั่นมันเห็นมันเป็นอิสระ จิตก็อยู่ส่วนหนึ่งนะอารมณ์ก็ส่วนหนึ่งนะกายก็ส่วนหนึ่งนะมันเป็นอิสระจากกันและกันนะบางครั้งมันอาจจะไม่ได้แยกให้ดูให้เห็นชัดแบบนั้นแต่มันจะสัมผัสได้ว่าเออมันเป็นคนละส่วนกันนะนะมัน จ, จะไมไ่แยกเป็นกองๆองให้เราเห็นเหมือนกองผลไม้ที่เป็นกองกองแต่ใจที่มีสตินะมันจะถอนออกมาได้นะ เมื่อใดที่เราไปอินกับอารมณ์สติมันจะช่วยให้เราถอนออกมาถอนออกมาเป็นอิสระจากความคิดถอนออกมาจากอิสระจากความเจ็บความปวดความเมื่อยนะก็คือถอนการยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ต่างๆว่าเป็นเราแหละอันนี้แหละมันเป็นปัญญานะปัญญาในน้อยอ่าถ้าปัญญาในขั้นต้นก็เรียกวเป็นเรียกว่าเป็นสัมปชัญญะนะคือการรู้ตัวเนี่ยมันทำให้เราออกมา ออกมาเป็นปัญญาในน้อยที่เราทําให้เราเป็นอิสระจากความไม่ทุกจากความทุกนะปฏิบัติทําเลยนะมันได้รับความไม่ทุกเป็นรางวัลทุกขณะที่เรารู้สึกตัวเลยนะเมื่อไร่ที่เรารู้ตัวเนี่ยจิตเป็นอิสระนะจิตมันตั้งมั่นอยู่ชั่วขณะนะจิตมันถอนออกจากอารมณ์จิตมันถอนออกจากความทุกข์อันนี้แหละคือความไม่ทุก ถ้าภาษาอาจารย์พุทธทาทั้งใช้ว่าเป็นนิพพานนน้อยนะเราสามารถสัมผัสกับนิพพานนน้อยแบบนี้แหละบ่อยๆมีคุณค่านะยมน ะ, นะเพราะถ้าเราไม่สัมผัสกับนิพพานนน้อยตอนนี้เราจะจมกับความคิดเราจะจมกับอารมณ์ทั้งวันทั้งคืนเลยนะไม่ใช่แต่ทั้งวันน ะ, นะกลางวันก็คิดนะกลางคืนก็ฝัน ไม่เคยเป็นอิสระจากมันพิทีเลยแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยมันจะถอนออกมาจากความคิดนะถ้ามีสติต่อไปได้นนะแม้แต่กลางคืนฝันมันก็จะถอนออกมาจากความฝันเคยไหมเคยสะดุ้งนะฝันนะฝันขึ้นมากําลังอินอกําลังเหนื่อยเหนื่อยกำลังโอ้กำลังเรียกว่าหัวใจเต้นแรงหรือว่า อินกับเรื่องราวตอนนั้นมากพอตื่นขึ้นมาโอ้ออกจากความฝันได้เคยไหมคิดจมกับความคิดพอมีสติรู้ทันมาถอนออกจากความคิดเคยไหมวลาะโกรธมากๆพอมีสติกลับมาดูตัวเองมาเห็นใจที่มันโกรธความโกรธมันหายไปไหนก็ไม่รู้หรือที่จริงอาจจะไม่เห็นที่ใจ เห็นที่กายก็ได้บางครั้งเผลอโกรธนะเห็นกายมันแน่นๆ่นที่หน้าอกนะมันผิดปกติเนาะมันมีสติรู้ความโกรธก็หายไปเหมือนกันอนะอันเนี้ยเราสามารถกลับมาดูที่ตัวเองจะดูกายหรือดูใจก็ได้ที่ปัจจุบันมันจะถอนหรือเป็นอิสระจากอาการตรงนั้นนะแต่ถ้าเราไม่เห็นกับมันเนาะเราจะกลายเป็นผู้เป็นนะเป็นตลอดเลยนะ บางคนไปก็ไปยึดนะไปยึดความคิดความเห็นไปยึดความดีนะยึดความถูกความผิดเนี่ยก็เป็นการไปยึดนะนะโดยโดยเฉพาะบางทีพวกเราศึกษาศึกษาธรรมะนะกันมาพอสมควรนะได้ยินได้ฟังได้อ่านหรือได้ปฏิบัตินะมีความเข้าใจมีความมั่นใจนะพอสมควรนะแต่บางทีความรู้ที่เราเข้าใจความเห็นที่เรามีนะ เราก็รู้เราก็เห็นแต่อย่าไปยึดมันไว้เลยนะเพราะบางทีมันจะกลายเป็นการถกเถียงเป็นการเอาแพ้เอาชนะเอาถูกเอาผิดกันนะก็เป็นการยึดเหมือนกันนะอย่างเมื่อเมื่อสิบกว่าวันก่อนก็ได้มีโอกาสไปนะไปที่จริงช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็ไปมาหลายวัดมากนะไปดูไปชมไปฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละวัดนะกับครูบาอาจารย์นะ อย่างได้ไปที่ประเทศจีนนะมันมีวัดหนึ่งที่เมืองกวางโจนะเขาพาไปดูวัดวัดนี้ก็ไปมาสองสาครั้งแล้วนะนะนะเป็นวัดที่ท่านเวรางไปบวชนะท่านเวรางเป็นสังฆปณิยกองค์ที่หของประเทศจีนเป็นเรียกว่ า, าเทียบกับสังฆราชฝ่ายเซนนะสังฆราชฝ่ายเซนนะท่าน ตอนแรกท่านได้รับบาดได้รับจีบอ น, นะแล้วก็หนีขึ้นมาหนีลงมาทางใต้ยังไม่ได้บวชนะแล้วพอท่านเห็นว่าสมควรเก็บเวลาละสิบห้าปีที่หนีไปอยู่ในป่าท่านก็ออกมาสู่เมืองนะออกมาสู่เมืองมาสู่วัดหนึ่งที่เขามีพระมาชุมนุมกั น, นมีพระชุมนุมกันหลายร้อยรูปมากในศาลาพระแบ่งเป็นสองส่ว น, นกําลังถกเถียงธรรมะขั้นสูงกัน ขั้นอภิธรรมเลยนะนะถกเถียงกันโดยเอาตัวอย่างอะไรนะมันมีที่ในวัดมันมีธงอยู่ฝืนหนึ่งนะอยู่บนยอดเสาพระกลุ่มหนึ่งก็เถียงกันว่านะที่ธงมันไหวเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าเพราะธงนะเพราะมันมีธงมันก็เลยไหวอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าเพราะลมนะถ้ามันไม่มีลมนะ มันมีแต่ธงมันจะไหวได้ยังไงน่ะก็เถียงกันไปว่าไอ้ที่ธงมันลมมันพัดธงแล้วมันไหวน่ะอะไรมันอันแน่ที่มันมันไหวนะก็แบ่งไปสองฝ่ายจากตอนแรกอาจจะแบ่งไปแค่สองคนอาจารย์แต่ละอาจารย์ก็เถียงกันเถียงกันนะท่านเว่างพอไปไปถึงที่วัดนะแล้วก็ไปฟังสักเล็กน้อยนะท่านเจ้าวาดมาเห็นว่าเออมีอาคารตุกะที่ดูสงบ ดูมีปัญญาสองฝ่ายนี้ก็เถียงกันมาตั้งนานแล้วไม่ได้ข้อยุติก็ฉุกใจคิดว่าหรือว่าองค์นี้มีบาศมีจีวรมาด้วยหรือว่าจะเป็นองค์ที่ในตำนานว่าเป็นสังคับปัิญานายกองที่หนีมาทางตอนใต้ก็เลยถามท่านว่าท่านคิดว่าอย่างไงธงไหวหรือว่าลมไหวท่านแม่ดางบอกว่าไงใจของท่านนั่นแต่ไหวนะ ใจที่มันเถียงกันเอาถูกเอาผิดนั่นแหละไหวนะใจที่มันไปยึดในความเห็นนะไปยึดเอาแพ้เอาชนะนะ น, นั่นแหละมันไหวท่านไม่ได้วิชีว่าทงไหวหรือว่าลมไหแต่ท่านชี้กลับมาที่ภายในว่าใจที่มันหลงกับความคิดที่มันหลงกับความเห็นนั่นแหละคือใจมันไหวอันนั้นคือตัวธรรมะท่านะชี้มาที่ตรงนี้ชี้มาที่สภาวะในปัจจุบันเลยว่า คือถ้าเรามีสตินะเราจะกลับมาเห็นเห็นใจที่มันไหวมันก็วางได้นะอบางคนเห็นใจที่มันโกรธนะมันก็วางความโกรธบางคนใจเห็นใจที่มันทุกข์นะมันก็วางความทุกข์หรือแม้แต่บางคนกลับมาเห็นกายที่มันทุกข์เห็นจริงๆนะมันก็เห็นเป็นแค่กายที่มันทุกข์ใจก็เป็นปกติได้เนี่ยท่านกลับมาชี้ที่เห็นว่าเออกายเอดมมันจะไว้ งมจะไหวไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่เรื่องสำคัญคือใจเราไหวไหมอมาว่าเรื่องเมืนเน่อนีทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นจริงในเหตุการณ์ประจำวันเราเนี่ยเอามาประยุกใช้ก็ได้นะอ่า อ, อเวลาได้ยินเสียงมาเหา่าแล้วดึกๆมาหอนเนี่ยบางคนถ้าขาดสติยังไงหรือว่ามีสัญญาเก่าๆได้ดูหนังผี ได้ยินเรื่องรามันก็คิดแล้วน ะ, ะคิดเป็นอะไรเนาะทำไมหมามาหอนได้ยินเสียงที่ประตูที่หน้าต่างเสียงตุ๊บตุ๊บตุ๊บตได้ยินเสียงเดินรอกกุฏิก็ไปปรุงแต่งบางคนไปปรุงแต่งเป็นหมีบางคนปปรุงแต่งเป็นผีบางคนไปปรุงแต่งเป็นหน้าเป็นนี่แต่แท้จริงแล้วมันอาจจะเป็นแค่หมาก็ได้แต่ถ้าเรากลับมาดูใจเรา ใจมนเผอไปปรุงเป็นหมีเป็นผีเป็นอะไรก็ได้แต่กลับมาดูใจเรานะมันก็เป็นปกติแต่ถ้าเราไม่กลับมาดูตัวเองนะมันก็จะไปปรุงจนนอนไม่หลับนะแล้วก็แล้วก็ไม่สบายเนาะอันนี้ะคือเรากลับมาดูทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นได้ยินเสียงคนพูดอะไรก็ได้แต่จะต่อหน้าหรือรับลังก็แล้วแต่ก็ฟังไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งไปเอาถูกเอาผิดกับเขานะ กลับมาดูใจของเราก่อนว่าใจเราชอบใจเราชังหรือใจเป็นปกติกลับมาดูพวกนี้ที่จริงเหตุการณ์ประจำวันนะแต่สามารถเอามาเป็นเรียกว่ากลับมาดูกายดูใจของเราได้ทั้งนั้นเลยนะเหมือนกับตัวอย่างท่านไวรังธงมันไหวหรือลมมันไหวไม่สําคัญเท่ากับใจมันไหวไปไหมนะกลับมามีสติรู้ทันใจที่มันไหวอันนี้แหละเป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าเรามีสติจริงๆนะมันจะเห็นว่าใจนะ่ะมันไหวไปบ่อยมาก เดี๋ยวแค่ตายเห็นรูปเนี่ยมันก็ไหลไปแล้วไปดูเขานี่มันมันมันไหลไปแล้วนะใจมันไหวไปแล้วนะพอมีสติรู้มันก็จะกลับมาเออกลับม า, าพอได้ยินเสียงอะไรเกิดขึ้นนะอสมมติเราหิวอาหาราได้ยินเสียงตดขายของอยู่ข้างนอกใจมันเกิดความอยากขึ้นมาเ อ, อ้ามีสติรู้ทันะกลับมาที่ตัวเราเอง หรือบางทีได้กินอาหารเน่ no. มันหอมจังเลยนะเกิดความหิวเกิดความอยากขึ้นมานะก็มีสติกลับมาดูแต่ถ้ า, าไม่มีสตินะพอมันหอมพอมันอยากก็ปรุงแต่งต่อนะเมื่อใดจะได้กินนะหรือกลับบ้านไปจะไปคิดปรุงแต่งองนี้อย่างนี้มีหลายคนนะเก็บอารมณ์แล้วก็บางคนก็อดอาหารอ่าอย่างเช่นได้ยินประสบการณหลายคนเนี่ยคอสล้างพิษห้าวันบ้าง บางคนโอดอาหารสิบสี่วันบ้างไอ้ที่มันปุงมากที่สุดเนี่ยปุงเรื่องอาหารนปุงนะ่อยากกินนั่นกินนี่ปุงว่าเดี๋ยวเสร็จร่างพิษเสร็จคอแล้วจะไปกินอย่างนั้นกินอย่างนี้นะพอตอนปุงนะ่ะก็ทุกข์แล้วพอออกจากคอสไปทําตามความคิดเนี่ยก็ทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจนะบางทีร่างพิษไปแล้วไปกินอาหารที่มันแสดงเป็นเนื้อก็พิษก็กลับเข้ามา ร่างกายก็แพ้ไปอีกนะก็ทุกทั้งกายทุกทั้งใจอันนี้คืออะไรคือความคิดมันกเราไปนะความคิดมันกเราไปสุขความคิดกไปทุกนะมีสตนะิมันจะช่วยตรงนี้นะดังนั้ น, ะ น, น, นที่เราฝึกนะฝึกสติกับการเคลื่อนไหวการยกมือกับการเดินจงกรมกับการดูลมหายใจกับการมีสติในการรู้กายที่เคลื่อนไหวนะเพื่อเป็นฐาน ให้สติมันพัฒนาให้เกิดความรู้ตัวทั่วพร้อมนะให้มันรู้กายนะรู้สึกกายที่มันเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาตินะอะไระเกิดขึ้นกับกายก็รู้นะแต่ที่จริงการรู้ไม่ใช่บอกว่าไ่ต้องไปรู้แบบหารายละเอียดนะไม่ต้องไปรู้แบบทุกเม็ดไม่ต้องไปรู้แบบไปแบบเก็บรายละเอียดมากรู้แบบเรียกว่าแบบหยับยามนี่แหละ แต่มันจะถี่ขึ้นมาเรื่อยๆมันจะรู้แบบละเอียดบ้างไม่ละเอียดบ้างไม่สําคัญชัดบ้างไม่ชัดบ้างไม่สําคัญว่าแต่รู้อย่างที่มันเป็นนั่นแหละแต่ถ้าเราอยากให้มันรู้อย่างที่เราอยากให้เป็นอันนันไม่ใช่นะะรู้อย่างที่มันเป็นนั่นแหละมันจะชัดมันจะไม่ชัดนะมันจะสุขมันจะทุกข์แล้วก็รู้อย่างที่มันเป็นนั่นแหละอันนั้นคือเรียกว่าความรู้ส enfin. ึกตัวนะพอมันเกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะ ในการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนใดก็แล้วแต่บางขณะจิตใจมันมีอารมณ์เกิดขึ้นมาเด่นเป็นความสุขเป็นความทุกข์เป็นความเฉยก็ดีหรือบางขณะจิตมันมีความคิดมันมีอารมณ์เกิดขึ้นเราก็สามารถมีสติรู้ได้นะไม่เป็นไรนะบางทีมันจะเห็นเลยจิตมันไหวของมันเองนะบางทีมันจะเห็นเร็วมาก กายกับจิตมันสลับกันรู้มันเห็นคอามันเลยนะกายก็เคลื่อนไหวไปใจก็เผย อ, ออกไปเดี๋ยวก็รู้กายใหม่เดี๋ยวก็เผย อ, ออกไปรู้ใหม่ใจรู้ใหม่มันเห็นเลยว่าโอ้กายกับใจมันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันคนละส่วนกันนะมันเป็นสิ่งที่คนละส่วนกันมันเป็นสิ่งที่บังคับก็ไม่ได้เนาะแต่ที่เราทําได้ก็แค่กลับมาเนาะแค่กลับมาบ่อยบ่อยแค่รู้มันเฉย ดูแลไม่ต้องบิปรุงไปแต่งอะไรนะอันนี้ก็จําให้เราวางได้นะวางวางทุกอย่างนะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นอุเบกขาจิตที่เป็นอุเบกขาก็คือจิตที่มันเป็นกลางจิตที่เป็นอุเบกขาก็คือจิตที่มันตั้งมั่นก็คือมีสมาธินั่นแหละจิตที่มันมีอุเบกขาก็คือจิตที่มันรู้ตัวแล้วก็ไม่เข้าไปจมกับอารมณ์ต่างๆก็เรียกว่ามีสตินั่นแหละนะแท้ที่จริงแล้วธรรมะนะถ้าเราปฏิบัติถูก ทุกอย่างมันมารวมมันมันเรียกชื่อต่างกันโดยสภาวะนะโดยโดยบางแง่บางมุมแต่แท้จริงแล้วมันมันมีมาพร้อมกันไปหมดเลยนะเหมือนเราจะได้เมล็ดข้าวหนึ่งเมล็ดหรือนะถ้ามันไม่มีแดดนะมันก็ไม่มีเมล็ดข้าวถ้ามันไม่มีน้ํามันก็มีเมล็ดข้าวนะถ้ามันไม่มีนะ ถ้ามันไม่มีเรียกว่าสารที่มาไล่มแมลงมันก็อาจจะไม่มีม่เลกข้าวก็ได้ถ้ามไ ม, ม่ไม่มีดินไม่มีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ก็อาจจะไม่มีแม่เล็ข้าวก็ได้อนนั้นธรรมะนะคือทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละที่มันเกิดขึ้นจริงนะให้เราได้รู้ได้เห็นจริงนะเราก็เพียงแค่รู้แค่เห็นนะอย่าไปเผลอเป็นกับมันเนาะเหมือนที่หลวงพ่อคขาเขียนเขาบอกว่าให้เป็นผู้ดู อย่าเป็นผู้เป็นนะให้เป็นผู้เห็นนะนะแล้วก็ต้องไม่ต้องไปอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีอะไรนะแค่ทำไปเรื่อยๆเราทำเหตุให้มันถูกเดี๋ยวผลมันจะเกิดขึ้นตามมาของมันเองเนาะทำไปเรื่นๆทำสบายๆทำเล่นๆแต่รู้จริงๆนะงพระเทียนนั่นบอกให้ทำเร่นๆนะให้ทำเร่นๆอย่าไปทำด้วยความอยาก แต่ให้รู้จริงๆนะเคลื่อนไหวก็ให้สบายสบายแต่ก็ให้รู้น ะ, ะใจมันเปิดไปคิดนะก็ไม่เป็นไรก็รู้ตัวนะเนี่ยให้เราให้เราทำเช่นนี้ถ้าเราทำเช่นนี้ได้นะการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เรื่องต้องไปดัดแปลงอะไรมากมายนะไม่ต้องไปตั้งใจเกินไปไม่ต้องไปพลิกอ่ ทำร่างกายให้มันผิดปกติธรรมชาติเช่นเดินให้มันช้าๆหายใจให้มันแปลกๆกาหนดจิตให้มันดังแรงให้มันมากๆทำใจให้มันผิดธรรมดาอันนั้นเป็นเรื่องที่เรียกว่าไม่ใช่การปฏิบัติธรรมน ะ, นะแต่การปฏิบัติธรรมก็แค่รู้เห็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหล ะ, ะเมื่อเรารู้เห็นอย่างที่มันเป็นจิตมันจะเป็นอิสระ จากสิ่งที่เห็นจิตมันจะเป็นอิสร ะ, ะจากสภาวะที่มันเกิดขึ้นแสดงให้เราได้เห็นนั่นแหละมันก็เป็นอิสระแล้วนะเกิดความรู้ตัวแล้วก็คิดว่าก็พูดธรรมะให้พวกเราได้เอาไปพิจารณาแล้วก็เอาไปทดลองปฏิบัตินะอย่าพึ่งเชื่อแต่ให้เราลองดูว่าทำเช่นไรแล้วใจไม่ทุกทำเช่นไรแล้วใจมันทุกนะ ก็ให้ใจตอนนั้นลเลือกเองถ้าทำแล้วทุกมันจะเอาไหมถ้าทำแล้วไม่ทุกจะทำต่อไหมนะก็ให้ใจมันเรียนรู้จากความทุกความไม่ทุกของมันเองเนาะก็คิดว่าสมควรแข่เวลากบาบพระพร้อมกัน